ตอนอบรมจริยธรรมคณะคุณครูโรงเรียนศูนย์พารานคอยระหว่างวันที่แปดถึงสิบสองพฤษภาคมสองพันห้า้อยหกสิบตอนที่เจ็ดก็นั่งสบายสบายลูกก็เหลือเวลาหน่อยหนึ่งพวกกูจะสรุปเรามาดู king speed ทำไมนะบังเอิญเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วพว ก, กูไปเปิดเจอโดยบังเอิญ น, นะทีนี้มันยาวมากก็เลยให้ตัดเป็นช่วง พอจับใจความได้นะ เ, เจ้าฟ้าชายจอที่หกเป็นโรคพูดติดอ่างนะพยายามรักษาทุกหมอแล้วไม่หายนะมาเจอหมอคนสุดท้ายนี่เขาเรียกว่ารักษาแบบพิสดารคือโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับกายภาพมันเป็นอุปทาน มันเป็นโรคอุปทานอย่างหนึง่งนะทีนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์รยุคนี้เนี่ยเราปฏิเสธเรื่องอุปทา น, นเป็นเรื่องนามธรรมานะเราต้องการชั่งตวงวัดได้เราก็เลยไม่รู้มันสาเหตุเพราะอะไรนะเพราะครูอยู่ที่ศูนย์นี้28ปีโดยเฉพาะ1ิปีแรกเนี่ยมีแต่โรคพวกนี้นะออมีแต่โรคพวกนี้พวกลมชักพวกหอบผืดเป็นตั้งแต่กาเนิดเลยนะ ไปเอ็กซเรไปอะไรเป็นเพราะอะไรเพราะคูถามหมอหลายคนวนะ่าทำไมมันเป็นแบบนี้เขาก็ไม่รู้นะบางทีเอ่อเป็นเพราะหลอดลมบ้างอะไรบ้างเขาก็รักษาไม่หายนะเนี่ยอันนี้เป็นโรคอุปทานและทีน่นี้ใช้คาว่าแปลกมากอันนี้เรื่องนี้เป็นร้อยปีที่แล้วเป็นประวัติศาสตร์จริงๆของอังกฤษนะทีนี้หมอคนนี้เขารักษาแบบพิสดารคืออะไร เห็นไหมเปิดหน้าต่างยืนแหกปากลองแล้วก็เช็คยิ้งแล้วก็กิ้งๆิงกินะคือคือทาอะไรแบบพิสดารก็คือเป็นอุบายในการทำลายอุปท า, านโดนั้นโดยเฉพาะคนติดหัวโขนมีตำแหน่งหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยยิ่งประหม่ามากยิ่งพูดต่อหน้าคนเยอะๆพวกเราเหมือนกันน่ทุกคนถ้าครั้งแรก ไปขึ้นเวทีแล้วมีคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยแล้วก็จับไม้เนี่ยขาสั่นหมดอันนี้เป็นเพราะอะไรเรากลัวเขาจะฆ่าเราเหรอเห็นไหมอันนี้เป็นอุปท า, านอย่างหนึ่งนะซึ่งพ่อกูใช้คำว่าเสียดายมากวิทยาศาสตร์ตอนนี้เก่งมากแต่ไปติดบ่วงเรื่องไปติดแค่รูปประธรรมปฏิเสธนามธรรมา เราจึงแก้ปัญหาชีวิตเราไม่ได้ชีวิตมันประกอบได้รูปกับนามพระพุทธเจ้าสอนรูปนามแต่วิทาศาสตร์เอาแต่เรื่องรูปประธรรมต้องช่างตวงวัดได้นะอันนี้เห็นชัดจริงๆแล้วเนี่ยมันรู้เรื่องจริงเนี่ยหมอเนี่ยกล้าพูดอย่างนี้ไหมเมื่อเป็นเจ้าฟ้าชายเนี่ยเขาไม่ตามใจเลยนะสูบบุหรี่ก็ไม่ให้สูบนะถามว่าชื่ออะไร เขาก็บอกชื่อยาหรอกแม่เอาเอาชื่อเล่นจะเรียกเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเหมือนเท่ากันเลยอันนี้เป็นเทคนิคในการทำลายอุปทานนะแล้วพอมาปฏิบัติปุ๊บมาทำอะไรที่ชีวิตนี้เราไม่เคยทำมันก็ล้างอุปทานเหมือนเรามาเต้นเรามาลําเราไม่แหกปากล้อนะเรามากิง นี่เป็นการทำลายอุปทานเราอย่างหนึ่งทำให้จิตมันอิสระจากตรงนั้นนะแม้กระทั่งความเจ็บปวดก็ของปลอมเป็นอุปทานอุปทานได้ยังไงมันเจ็บจริงๆรงมันเจ็บจริงๆเราโดนพึ่งต่อยตรงหัวแม่มือจะวิ่งไปทายามองระหว่างทางเหยียบตะปูทะลุขาตรงนี้ไปเจ็บตรงนี้ไอตัวนี้ลืมแล้วไม่เจ็บกำลังเจ็บขาอยู่ บางคนมีลูกเห็นลูกตกบันไดบ้านหัวแตกอยู่ตรงนั้นไปเจ็บที่หัวลูกเจ็บที่ใจแล้วไอ้ตัวนี้ก็ลืมมันเป็นอุปทานนะก็มีพระคุณเจ้าหลวงพี่ตั้งแต่ยังไม่เคยยังไม่บวชนะก็มาจากเพชรบุรีเป็นโรลคลมชักนะเป็นโรคลมชักนิดหนึ่งก็ชักนิดหนึ่งก็ชัก หลังจากมาเหวี่ยงทิ้งและวบางทีก็เข้าไปในอดีตไปล้างอุปทานล้างจ่ายหนี้กรรมในอดีตแล้วสุดท้ายก็ล้างอุปทานเนี่ยนะโครคภัยไข้เจ็บก็หายไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคไม่เกี่ยวกับผลของกรรมมีหมัดหมาปวดหั ว, วหาขายแย่เป็นอามพภาพาอยู่ที่ว่าเงื่อนไขเวลามันจะส่งผลเมื่อไหร่นะ บางคนมาปฏิบัติปุ๊บเข้าไปในจิตเป็นอมภาตนะน้ำลายไหลเหมือนเป็นอมพาสจริงๆล่ะโอ้ยๆอๆยอยอยลุกก็ไม่ขึ้นนะพอหมกหมดเวลาแล้วไปไปกินข้าวออกมาหายพอไปกินข้าวเสร็จมานั่งปุ๊บเป็นอมภาตต่อ ถ้ามันเป็นอุปทานมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงซู่เนียมันก็เป็นอุปทานของจิตบันทึกสัญญากรรมนั่นแหละแล้วก็จิตมันต้องรับกรรมตอนนั้นต้องเจ็บปวดต้องรู้สึกทุกข์ทรมานมันกับจริงๆอันนี้มีสองอย่างนะคือหนึ่งในอดีตเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วมันให้จิตเราไปยอมรับกรรมก่อนนั้นไปริมลดความเจ็บปวดความทุกข์ตรง น, นั้นอีกอย่างหนึ่งคืออนาคตมันจะเกิดแต่เราไปรับวิบากกรรมในจิตก่อน อันนี้เขาเรียกว่ารับกรรมทางจิตนะไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารมันคือธรรมชาติมันคือความจริง mm hmm. เหมือนเราไปนั่งดูรีวายรีไวไปดูอดีตตอนเด็กๆเกนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถ่ายวิดีโอไว้สมองเราจำไม่ได้แล้วเห็นไหมพอเรารีวไปอดีตเราเป็นตัวเด็ ก, ดกๆวิ่งอยู่เอ๊มันคนเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้เราโตแล้วเราแก่แล้ว เหไหมเหมือนกันแล้วเข้าไปในจิตเรารีวายไปเสพอดีตของเราแล้วก็ไปสัมผัสอารมณ์นั้นจริงๆนะอุปทานในอดีตเนี่ยกินะเลสในอดีต ท, ทำให้เราสร้างกรรมนะกรรมใจเกิดหาทำให้เกิดอุปทานอุปท า, านก็บันทึกสัญญาไว้คือเรคคอร์ดไว้นในจิตใต้สำนึกเรานะทุกคนสามารถรีวายเข้าไปเสพ อ, อารมณ์นั้นได้ไปจ่ายหนี้กรรมทางจิต นะก็มีลูกชายคุณหมอคนหนึ่งคุณหมอเป็นหมอเด็กด้วยอันนี้เป็นโรคหอบหืดตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยฉีดพ่นยาจนยี่สิบกว่าปีนะปีนั้นจบหมหาลัยจุฬาพ่อแม่ก็มาทิ้งไว้ให้พ่อครูอาทิตย์หนึ่งนะพอเวียงวันที่เจ็ดวันสุดท้ายนั่นอาการลมชักมันเกิดขึ้นในกรรมฐาน นะตอนนั้นสาลายังไม่ใหญ่ขนาดนี้ข้างหน้านะเออพราะกูจำไม่ได้เลยใครวิ่งไปหาพระกูที่ครัวนั่นบอกว่าเออเขามีอาการแบบนี้พระกูถามว่าพระแข อ, อยู่นั่นไม่บอกอยู่บอกพระแขอบอกให้มันตายเลยนะนะที่นี่เราปฏิบัติที่ผ่านมาเคยนะคุณแม่มานั่งปุ๊บลูกก็เชียร์ตายเลยตายเลยเหมือนแช่งให้แม่ตายเลยนะบางคนไม่เข้าใจอันนี้อ น, นี่ในเลกุล คือเราตายจากความยึดมั่นถือมั่นกับโปรแกรมนั้นเพราะตอนนั้นมันกล้ากลัวๆมันก็กลัวเนี่ยเหมือนกลัวจะตายจริงๆนะเมื่อเรากองเชียมตายเลยเมื่อเรายอมตายจากตัว น, นั้นน่ะเหมือนเราเราจ่ายหนี้กรรมแล้วจ่ายหนี้กรรมด้วยความตายบางทีกรรมที่เราค่าเข้ามาต้องแลกด้วยชีวิตชีวิตแลกด้วยชีวิตเราตายในกรรมฐานเหมือนเราเสพความตายนั้นแล้วเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเห็น ไ, ไหม ลูกหมอคนนั้นน่ะหลังจากพก่อครูคิดได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ไอคนที่นั่งมันจะไม่ตายพ่อแม่จะตายก่อนพ่อครูก็เดินมาจากศูนย์อาหารลงอาหารเนี่ยบังเกินเขาอยู่กับเราเจ็ดวันเขาได้ยินเสียงพ่อคูบอกตายเลยลูกตายเลยมันยอมตายตรงนั้นน่ะก็นิ่งเงียบไปทีนี้คุณแม่เขาก็มาบอกสั่นเลยร้องไห้น้าตาร่วงเลยว่า ก็มาเล่าให้าพอเห็นลูกเขาขยับได้บอกว่าเมื่อกี้เขาคิดว่าพ่อครูบัญชาเป็นใครเอาชีวิตลูกเขามาเสี่ยงอย่างนี้ยังไงตัวเองก็ลืมว่าตัวเองเป็นลูกกระเพาะเขาพิ่งหายมาจากที่นี่ถึงเอาลูกมาวางไว้ที่นี่ต้องหาคนรับผิดชอบลนะแค่พูดตัวสั่นไปด้วยนะเดี๋ยวลูกชายเขาเดินมายิ้มเลยแม่ถามว่าลูกเป็นไงบอกสบายสบายจะนั่งอยูไหมนั่งสิแม่ เห็นไมคนนั่งมันมันไม่กลัวตายแต่คนไม่ ăng, นั่งนี่กลัวตายแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้น่าจะเป็นไม่ส8ปหรือ20ปีนี่แหละตอนนี้เขาจนเป็นข้าราชการไปไหนแล้วเนี่ยโรคหอบหืดนี้เนี่ยไม่เคยเกิดอาการอีกเลยร่างกายมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นโรคอุปทานอุปาทานตอนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยมันเกิดจากสาเหตุของกรรมนั่นแหละ ทำให้จิตมันต้องรับกรรมต้องทุกข์จากสิ่งนั้นนะเราเดินไปในป่าเพื่อนบอกผีผีผีบางทีเดินมาดีๆขาเก้าไม่ออกเลยถามว่าโลกอะไรวิทยาศาสตร์ตอบีิมันเป็นอะไรเดินมาดีๆหมดแรงเลยความกลัวของอารมณ์ของจิตเนี่ยมันส่งผลถึงกายภาพ แต่ไปเอ็กซเรย์ไปถ่ายสกแกนอะไรก็ช่างเอาเครื่องดีที่สุดในโลกก็ถ่ายก็ไม่รู้สาเหตุของกายภาพมันไม่ใช่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บทางกายภาพมันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของอุปท า, านของจิตที่พระครูไปเห็นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เอ้มันแปลกไปเหมือนที่เราปฏิบัติพ่อครูไม่ได้สั่งให้เป็นแบบนี้นะเพราะเวียงไปเวียงมาตัวเองก็กิ้งไปกิ้งมา ของเรามีฟลอมไงพวกเรามีฟลอม from, มีท่าทางนะมีศักดิ์ศรีไงเรารักษาไอ้ไอรักษาไอ้ศักดิ์ศรีตัวเองเ็าเป็นอุปทานนะกลัวเขาว่ากลัวไม่มีบุคลิกภาพอายเขาทีนี้จิตมันพากิ้งเขาอเารอเขา ร, รอเลยหมดท่าเลยมันทำลายอุปทานนี่แหละคือเรื่องนี้ เราดูภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเขาทำจากประวัติศาสตร์ของอังกฤษนี่ร้อยปีที่แล้วจริงๆแล้วสิ่งนี้มันมีมาตั้งนานแล้วสมัยพุทธกาลเองสมัยพุทธกาลสองพันกว่าปีนะสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วบังเอิญว่าถ่ายทอดมาทึกวันนี้ผู้เจ้าตัดตัดเยอะมากฝึกกรรมฐานก็ยกตัวอย่าง4ี่กรรมฐานนี่คือตัวอย่างบางตอนใบไม้กำมือเดียว ใบไม้ทั้งป่าเยอะแยะเลยนะอันนี้คือกรรมฐานส่วนวิปัสสนาเนี่ยมันไม่มีสูตรสาเร็จหรอกมันเป็นเรื่องของใครของมันนะสมัยพุทธกาลนั่นพระจุลปันทกเนี่ยนะมาบวชนะสวดมนต์ก็จําไม่ได้นะหลวงพี่ของของจุลปันทุกนี่เป็นพระอรหันต์แล้วนะพระจุลท น, นี่ทำยังไงก็ทำไม่ได้ จำอะไรก็จำไม่ได้เบื่อละมาลบกวนเขาศึกดีกว่านะพอจะเดินออกไปผู้เจ้าเห็นวาราจิตเนี่ยพระองค์จึงมาขวางไว้ไงบอกดูก่อนจุดละปัญทุกท่านจะไปไหนท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านท่านโง่ามากนะท่องจำอะไรก็ไม่ได้สมบอะไก็ไม่ได้มาเป็นภาระของศาสนาท่านจะศึกพราะพุทธองค์จึง ถวายผ้าขาวให้ผืนหนึ่งนะบอกกลับไปนะ่ะเอามือลูบผ้าขาวถ้าสมัยพุทธกาลใครได้ได้พบพระพุทธองค์ก็บรรู้ทำไปแล้วครึ่งหนึ่งนะบรรลุเราครึ่งหนึ่งมันเกิดปิติแล้วเหมือนพระองค์เปิดจิตให้ทีนี้ก็กลับไปกุฏินั่นก็เอาผ้าขาวปูไว้ก็เอามือลูบลูบผ้าขาวลูบผ้าขาวลูบผ้าขาวมันก็เกิดพรรษาที่มือเนี่ย เห็น ไ, ไหมมารู้ที่ใจมันดึงระหว่างใจกับัสษาที่มือเนี่ยมันเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมอ๋อรู้แล้วจิตเดิมแท้เป็นพระพัฒสอนเหมือนผ้าขาวเนี่ยพอมาเกือกกล้วด้วยกิเลส ต, ตัณหาอุปท า, านก็ก็ส ก, กรปรกหมดพระพุทธองค์จึงบอกให้ขัดเกาจิตให้ผ่องใสแค่นี้ก็เป็นพาาระอรหันต์แล้วคนโง่ซึ่งท่องจาอะไรไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่เป็นน่ เป็นผ้าอารหันเพราะลูกผ้าขาวอันนี้คืออายทนะวิปัสสนากรรมฐานมันไม่ได้หลุด อ, อะไรจากที่เราทำและพ่อครูไม่ได้สั่งให้ต้องทันแบบนี้แต่28ปีแต่ละดวงจิตเนี่ยเขาแสดงให้พ่อครูเห็นเพราะจิตเขาฝึกมาหลายภพหลายชาติแล้วนะก็มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เห็นเหมือนกันว่า ม, มันรักษาโลกอุปทานแบบพิสดาร มันต้องทำลายอัปตตาทำลายอุปทานซะนะอันนี้ไม่ได้นะเออเรียกชื่อได้ยังไงทำตัวเสมอนะอันนี้เป็นเป็นหัวโขวนอย่างหนึ่งแล้วก็สร้างเป็นอุปทานเป็นอัปตาตัวตนนะอันนี้โรคซึ่งเป็นมาแม้ทั้งท่านกำเนิด ก็รักษาด้วยจิตเราได้อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อจิตเราไหมเราไม่ค่อยเชื่อหรอกเราเชื่อหมออะไรก็หมอหมอหมอหมอหมอพระเจ้าบอกอัตหิอัตโนานาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่หมอไม่ดีนะเขาก็เรียนแค่หกปีนะี่ยนะเขาก็รู้เท่าที่แค่รู้รู้วิชาการทนล ะ, ะแขนงบนแขนงหมอสมัยก่อนเขาก็เรียนรู้ทั้งหมดอะเออ รู้รู้รู้ทั้งหมดรู้ตอนนี้ไม่ได้มันไม่เก่งต้องสเปเชียลไลซ์ต้องเรียนตาอย่างเดียวหูอย่างเดียวจมูกอย่างเดียวปากอย่างเดียวนะตอนนั้นอดีตเนี่ยตัดคอเรียนหูตาคอจมูกก่อนแต่ยวช่วงหลังเนี่ยต้องเอาอย่างเดียวตับอย่างเดียวไตอย่างเดียวปอดอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวพอรักษาตรงนี้ก็ไปกระทบข้างๆเพราะเราต้องการแค่เอาให้มันสำเร็จหาเงินได้เท่านั้นเอง แต่เราไม่เข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ตามลำพังนะกายจิตมันรวมกันหมดมันมีรูปกับนามเห็นไหมอันนี้เรารักษาเป็นจุดๆตอนนี้ถึงขนาดไหนสเปเชียลไหนตาไม่พอนะต้องเก่งข้างขวากับข้างซ้ายถ้าข้างซ้ายไปหาคนนั้นาข้างขวาไปหาคนนี้หูก็เหมือนกัน เนี่ยจำแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยกก็ยิ่งสับสนยิ่งห่างไกลความเป็นธรรมชาตินะตอนนี้เราไปเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเราเข้าใจว่าถ้ามีเศรษฐกิจดีปุ๊บนี่ชีวิตเราสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีปัญหานะตอนจนๆอยู่ดีๆมีข้าวเหนียวปั้นหนึ่งฉันป้อนเธอเธอป้อนฉัน นะมีแค่น้ำพริกปลาลาฉันรักเธอเธอรักฉันฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันฉันช่วยเหลือเธอเธอช่วยโดยฉันนะตอนนี้พอถุกรวันที่หนึ่งมาเธอไปซ้ายฉันไปขวาเพราะเราให้คุณค่าของวัตถุนิยมมากเกินไปนะเนื่องจากเราไม่เข้าใจชีวิตนะอันนี้คิง p ปีดนี่ดีมาก เพราะครูชอบว่ามันพิสูจน์อย่างหนึง่งว่าอดีตเนี่ยสิ่งนี้เขาก็รักษาแบบสิ่งนี้แต่ที่นี่ศูนย์เราไม่ได้ตั้งใจชูธงว่ารักษาโรคไม่นะถ้ารักษาโรคแล้วเดี๋ยวไม่มีแผ่นดินอยู่นะเดี๋ยวโรคอะไรก็หามมาที่หมด แล้วเรารักษาโรคฟรีเดี๋ยวถูกตั้งข้อหาด้วยเทอมมีใบอนุญาตไหมแม้กระทั่งฟรีนะไม่ได้เดี๋ยวจะไปแย่งงานเขาทําไปแย่งอาชีพเขาไงเพราะครูไม่ได้รักษาโรคนะเรามาปฏิบัติธรรมนะโรคที่เราต้องรักษาคือโรคทุกข์มะเร็งนี่เรื่องเล็กตายแล้วไปเผามื่ไหร่มะเล็งก็ถูกเผาตายไปด้วยจบแต่โลกเวรโลกกรรมเนี่ยไม่จบโรคทุกข์เนี่ยเกิดใหม่ชาติแรก เกิดใหม่ชาติหน้าเกิดมาวันแรกก็แหกปากร้องแล้วไงนี่คือโลกทุกข์จนก็ทุกข์รวยก็ทุกข์ดีก็ทุกข์ชั่วก็ทุกข์นะเพราะเรามีทุกข์เป็นประธานเพราะเราสร้างกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะทุกวันนี้สอนให้มีาาลาภโยสน์เสื่อทุกคนมุ่งแข่งกันแข่งกันแล้วไปนั่ง หลงดีใจเองว่าเราเก่งกว่าเขาเรารวยกว่าเขาเรามีชื่อเสียงกว่าเขาอันนี้เป็นอุปทานเป็นอุปทานนะถ้าใครไปเคยไปพัทยาเนาะเรานั่งรถไปพัทยาปุ๊บนะถ้าจากใต้พระเจาใต้ไปพัชราเหนือเออใช่หรือเปล่าเออถ้าเราเลี้ยวปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บขวามือเป็นทะเลซ้ายมือเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งอะไรอะไรเนะี่ย ถ้าเรามองไปปุ๊บเฮ้ยอนี้ของกูหมดเลยก <c oughs> ูให้เขาเช่าเฉยๆเนยะ <c oughs> ก็ของกูนะ <c oughs> ถ้าเราคิดอย่างไรแล้วก็เป็นอย่างนั้ น, น <c oughs> ยกตัวอย่างมีครอบครัวหนึ่งพ่อรวยมากลูกเกิดหนึ่งมาปุ๊บฝากเงินประจำให้มันพันล้านคนละพันล้านเดี๋ยวสิ้นเดือน สิ้นปีทนายก็ส่งยอดมามีดอกเบี้ยเพิ่มเออกูมีเงินพันกว่าล้านไม่เคยเบิก อ, ออกมาใช้เลยแล้วมันต่างอะไรที่เราสมุดเล่มหนึ่งเขียนเลยว่ากูฝากเงินไว้ 5,000 ล้าน เ, ออเดือนหน้าก็ฝากอีกห0 0 0งแล้านมานั่งดูตัวเดลกนี่ของกูไงแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราตายแล้วเนี่ยไอฝากจริงกับฝากไม่จรงิงเราก็เอาไปไม่ได้นักปัจญญาฝรั่งเศสชื่อเดกาส เขาพูดว่า I think therefore I am ปัชญานีใช้ไปทั่วโลก I think คือฉันคิดนะ I think therefore ฉันจึงมีตัวตนทีนี้เราก็ว่าเออเราคิดอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้หนังสือขายดีก็คิดบวกนะแก้ปัญหาโดยคิดบวกคิดบวกคิดบวกนะมัน คิดลบก็เป็นอุปทานคิดบวกก็อุปทานเราไปสร้างอุปทานใหม่มากบเกินอุปทานเก่าเท่านั้นเองคือปลอบใจตัวเองยิ่งมาอุปทานก็ยิ่งเยอะเราคิดบวกเพราะเราอยากได้อยากสำเร็จอยากปลอดภัยแล้วก็คิดบวกเอาคิดบวกนะมากบเกินคิดลบอันนี้ปลายเหตุพระพุทธเจ้าไม่ได้แก้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าแก้ที่ต้นเหตุ I am e r e for e I think เพราะมีตัวฉันก็เลยมีคนคิดต้องฆ่าไอ้ตัวฉันทิ้งซะไม่ใช่ไปแก้ที่คิดบวกแก้โดยอันดับแรกไม่ต้องคิดลบก็ไม่ต้องคิดบวกมีหน้าที่อะไรก็ทำไปอย่างมีความสุขแต่เราคิดลบไงเรากล้ากลั ว, ว, วไม่เคยมั่นใจตัวเองเลย เขาก็เลยสอนเนี่ยเราคิดคิดบวกคิดบวกอย่าไปคิดลบว่ามึงชนะแน่แน่มึงสำเร็จแน่แน่เอาอันนี้มาหลอกตัวเองนะมากกเกินืนคิดลบก็เพิ่มอุปทานใหม่ยิ่งมาก็ยิ่งเปลื่อนวันนี้คิดลบครั้งหนึ่งมันดื้อยาต่อไปต้องคิดลบสองครั้งต่อไปต้องสามครั้งสี่ครั้งหครั้งไอคนนี้มันจะขึ้นไปชกมวยมันบอกว่า วันนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเว้ยอาจจะแพ้ก็ได้ไอ้นี่มันคิดลบเขาบอกว่าไม่มีพลังเขาบอกต้องคิดบวกว่าเฮ้ยฉันชนะแน่ๆ่เออฉันเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยฉันชนะแน่แน่นะพอขึ้นไปชกไปชกมาเ ห, นห็นั้มไอ้คิดบวกว่าเฮ้ยมันมีพลังมันมันปลุกยักษ์มาชกกับคนนะ มันวิชาปลูกยักษ์นะปลูกยักษ์มาชกกับคนตอนนี้คนก็คุยกันไม่รู้เรื่องมันปลูกยักษ์มาคุยกันตอนนี้เพราะความอยากทีนี้ไอคิดลบบังเอิญมันแพ้จริงๆมันไม่ทุกเลยนะเพราะมันเตรียมเตรียมใจไว้แล้วแต่แท้ว่าอีกวันหนึ่งไอคิดบวกเนี่ยมันคนอีสานบอกมันยามเพราะมันได้แล้วมันก็อยากได้อีกตอนนี้คิดบวกว่ากูชนะแน่ๆเลย บังเอิญไปเจอคู่ต่อสู้คิดบวกมากกว่ามันอีกะบังเอิญโดนเขานอกไอ้คิดบวกนี่ผิดหวังมากบางทีฆ่าตัวตายเพราะมันหวังมากคิดลบคิดบวกถ้าอาจารย์พุทธทาสท่านยังอยู่นะท่านก็บอกว่ามันจันไรเหมือนกันนั่นแหละคิดก็คือมโนกรรมคิดดีก็ทุกคิดชั่วก็ทุกมโนกรรมเพราะเราอยากทั้งนั้นแหละ อยากชนะกลัวแพ้ความกลัวทำให้เราเสือ่อมต้นเหตุของความกลัวคือความอยากนะเอาทีนี้ทำยังไงล่ะ เ, เรายังไม่ใช่พระอาหารหันต์ทุกคนก็มีความอยากไงทำยังไงอันดับแรกก็ทำใจทำใจก่อนคิดเอาเองทำใจไม่ได้เนี่ยต้องฝึกจิตเพื่อทำใจมีปัญญาของจิตเท่านั้นถึงจะควบคุมอารมณ์อยากที่ใจได้ ที่เรากาลังทำกันอยู่อยู่ที่ว่าใครจะศรัทธาสิ่งที่ตัวเองทำมากน้อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องนาณ า, าจิตตังเป็นเรื่องเฉพาะตัวชีวิตเป็นของเราใครก้าวกา่ชีวิตเราก็ไม่ได้นะส่วนใครหลงมาเจอพระครูพระครูก็มีหน้าที่ใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ธรรมทานส่วนให้แล้วใครจะรับไม่รับก็เป็นเรื่องสิทธิทเฉพาะตนแต่พรอครูได้แล้วได้ให้แล้วนะ ถ้าจิตที่ฉลาดนั่นต้องรู้จักใช้โอกาสสร้างบารมีให้กับตัวเองสร้างอริยทรัพย์นะก็สรุปง่ายๆว่า k i n g ง p ปี d เนี่ยแต่ถ้าจะไปดูเวอร์ชั่นยาวนะไปดูในเว็บไซต์มีอยู่รู้สึกสองชั่วโมงกว่านะอะไรต้เราจะเห็นรายละเอียดแต่สุดท้ายก็ย่อมาหลักการก็มีแค่นี้แหละเออทุกข์มากเพราะเป็นโลกพูดติดอ่าง แล้วก็ต้องไปสปีดไปพูดต่อหน้าสาธารณชนแล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยนะเออก็เกิดอุปทานเยอะทุกมากนะเห็นไม้มเกิดมาในมหาปราสญา์ราชมนเทียญก็ทุกนะไม่ใช่มีเงินเราไม่ทุกนะมันทุกหมดคนไม่ทุกก็คือคนที่บรรลุพระอรหันต พระโสดาบันขึ้นไปก็ทุกน้อยหน่อยหนึ่งนะออมันเป็นทางทางเดียวเท่านั้นที่เราจะพ้นทุกข์ไม่ใช่ไปเรียนวิชาอะไรวิชาอะไรที่เรียนเรียนมีแต่วิชาเพิ่มทุกวิชาเพิ่มกิเลสวิชา เ, ออเพิ่มไปสร้างวัตถุนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องพึ่งพิงวัตถุบ้างไม่ใช่ปฏิเสธมัน จะไปอยู่ป่าตอนนี้เขาก็บกบุกลุกเขาก็จะจับเราอีกนะแล้ว ก, ก็อยู่กับโลกใบนี้แหละนะสอนลูกหลานเราให้อยู่กับโลกให้รู้เท่าทันให้รู้เท่าทันโลกอย่าไปตามโลก Follow is mean behind ตามแปลว่าไม่ทันมันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันอยู่กับโลกให้ได้อย่างรู้เท่าทันมันคำว่าได้คือแปลว่าอะไร ถ้าอยู่ไปด้วยทุกไปด้วยนะอยู่แล้วก็เสียชีวิตละขาดทุนล้วอยู่แล้วต้องมีความสุขแต่ไม่ใช่ความสุขจอมปลอมต้องหาเงินเกือบตายแล้วก็เอาเงินไปซื้อความสะดวกสบายความอร่อยแล้วบอกว่าสุขอันนั้นสุขจอมปลอมมันไม่ใช่ความจริงนะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแต่ที่เราขยันแข็งๆทาต่อไปไม่ใช่อยากสร้างฐานะเพื่อจะมีส่วนเกิน นะเพื่อจะมีเพียงพอที่จะแบ่งปันการให้คือความสุขอย่างยิ่งนะทุกวันนี้เราถูกทุนนิยมวัตถิยมมันครอบไปแล้วเนี่ยนะเป็นหนี้หมดอเมริกาเป็นหนี้มากที่สุดในโลกเศรษฐกิจสังคมการเมืองเกมที่เขาเล่นเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกตัวเลขมากที่สุดแต่เป็นหนี้มากที่สุดในโลก เอ้นไหมทำไมไม่สำเร็จล่ะที่หนึ่งแล้วไงในบ้านเมืองเรามีนะพวกคือเคยเคยเป็นอดีตนักการเมืองอยากเป็นสสก็ได้เป็นอยากเป็นทบรันตีก็ได้เป็นอยากเป็นนายกก็ได้เป็นแล้วพอหมดวาระแล้วก็อยากเป็นอีกเอาสูงสุดแล้วไม่ใช่เหลือนักการเมืองเป็นนายกกะทำไมไม่หยุดล่ะไม่มาสมัครเป็นผู้แทนเป็นรองนายกก็เอา เขาไม่เข้าใจว่าชีวิตเขาสุดท้ายเนี่ยเขาต้องการหาอะไรก็มันสูงสุดแล้วทำไมไม่หยุดอะเห็นไหมเพราะว่ามนุษย์เราไม่เคยพอใจสิ่งที่เรามีเราเป็นเราจึงต้องทุกข์ไปตลอดทุกจนวันตายวันจะตายก็ตายไม่ลงยังห่วงนู่นห่วงนี่นะมีเวลาหนึ่งวันเมื่อเช้านี้เราก็ฝึกเตรียมตัวตายนะที่ศูนย์นี่เตรียมตัวตายทุกวัน นะเพราะว่าเราไม่ประมาทเพราะเราตายแน่ๆมันต่างกันที่ตายดีหรือตายชั่วเท่านั้นเองนะก็จบที่คำนี้แหละหลายคนไม่ชอบคำว่าตายไม่เป็นมงคลฉันไม่อยากตายไม่อยากตายไม่อยากก็ตายอยากก็ตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเนี่ยความตายเป็นมงคลอย่างยิ่งต้องเอามาพิจารณาบ่อยๆจะตายท่าไหนนะเลือกท่าเลยนะ ท่าไหนที่สบายที่สุดแล้วก็ท่าไหนที่ทำไม่ต้องห่วงอะไรเลยนั่นแหละคนฉลาดนะรวยหรือเปล่าไม่รู้ตลอดชีวิตบางทียิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดนะสาเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สิ่งที่รู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่เตรียมตัวคือตายแน่ๆนะต้องพิจารณาโมรณาสุสติบ่อยๆถ้าคนไม่ประมาทนะเรื่องนี้ ตลอดชีวิตรเราเฉลี่ยไม่ถึงร้อยปีนะนะที่ทำมาทั้งหมดเพื่อวินาทีสุดท้ายที่คำว่าตายถ้าเราตายไม่เป็นเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราปลายเป็นนี่ยิ้มเลยทำไมไม่ยิ้มละ่ะนะเหมือนชาตินี้เราเกิดมาใช้นิกรรมหมดแล้วเราก็ได้เปลี่ยนร่างใหม่ที่มันดีขึ้นเห็น ไ, ไหมเป็นความเปลี่ยนร่าง แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมความพร้อมและยิ่งรู้ว่าชาตินี้ฉันไม่เคยทำความดีเลยเนี่ยยิ่งกลัวมากมันกลัวจะไปตกนรกกลัวจะไปเกิดอยู่ในร่างที่เป็นง้อยปากแหวงขาขากุดขาอะไรเนี่ยหูหนวกมันก็ตายไม่ลงไงแต่ถ้าเราทำความดีมาแล้วจะไปกลัวอะไรถ้ายังไม่บรรลุพระอราหันต์โอเค ถึงจะเกิดก็ไปเกิดอยู่ในร่างที่ดีขึ้นต้องย้มนะเหมือนซื้อรถคันใหม่ทำไมย้มล่ะมนะทั้งหมดก็คือว่าผู้เจ้าเตือนอย่าประมาทในหลวงราชการที่9พระราชบริสุดท้ายตอนปีใหม่ 2,559 ครั้งสุดท้ายครั้งแรกอยู่ในสวนเราก็มีนะ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแด่มหาชนชาวสยามสุขพระองค์ตั้งใจจะทำให้ทุกคนมีความสุขแต่เจ็ดสิบปีของพระองค์ทำมาเรื่อยๆพระองค์ไปเห็นนะว่าคนเราไม่ใช่สุขฝ่ายเดียวมีทุกข์ด้วยในหลวงก็เตือนแล้วว่าเตรียมความพร้อมสุดท้ายจบที่คำว่าอย่าประมาทเหมือนพระพุทธเจ้านะ เพราะกูก็จบวันนี้ว่าอย่าประมาทโอเคได้เวลาปฏิบัติต่อไปโอเคนะใครพร้อมก็ปฏิบัติไปเลยใครจะเข้าห้องน้ำก็เข้าไป